วันนี and, God, baptism, mm ้เ hmm. ป like mm ็นการมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายเหมือนพระอรหันต์หนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันมาคบบูชาไม่ได้นัดหมายกันไว้ล่วงหน้าวันนี้เรากับศรัทธาญาติโยมก็ไม่ได้นัดหมายกันเพราะไม่รู้ว่า จะมีโอกาสได้มาพูดสดสดแบบนี้เมื่อไหร่ที่สองสามวันผ่านมาก็เป็นการเอาบันทึกวิดีโอของเก่าของปีที่แล้วแต่วันเดียวกันวันที่เดียวกันเช่นเมื่อวานนี้ก็วันที่26สหมีนาคม2562ยญาติโยมก็ได้ดูกันไปพ่างๆาก่อนแก้เหงาไปก่อน พอดีวันนี้ทีมงานพร้อมที่จะมาลองถ่ายทอดสดที่นี่ดูก็เลยได้มีโอกาสได้พูดแบบสดๆกับท่านอีกครั้งหนึ่งก็คงจะไม่ได้ทำอย่างนี้ทุกวันอาจจะมีนานๆครั้งเพราะความไม่พร้อมความไม่สะดวก ของผู้ที่มาช่วยกันทําการถ่ายทอดก็ขอสลับกันไปดูของสดบ้างดูของเก่าบ้างแต่ก็เป็นธรรมะอันเดียวกันธรรมะนี้มันไม่ได้ขึ้นกับเวลาเป็นเรื่องอาการดิโกเป็นความจริงตลอดเวลาเป็นความจริง ที่สามารถนำเอามาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยความจริงของธรรมะที่เราเรียกว่าสัจธรรมก็คือความจริงเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ใจของพวกเราความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเรากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา และการจะทำให้ความทุกข์ของเราดับไปหายไปก็ต้องใช้มักมักก็คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราปฏิบัติกันให้เราสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมากันเพราะถ้าเรามีศีลเราก็จะสามารถมีสมาธิได้ ถ้าเรามีสมาธิเราก็สามารถมีปัญญาได้เมื่อเรามีปัญญาเราก็จะสามารถละความอยากคือกามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหาได้พอเราละได้ละความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไปเช่นความทุกข์ใจของพวกเราตอนนี้ทุกคน ก็ทุกข์อยู่กับเรื่องของโรคภัยใข้เจ็บที่กำลังระบาด ท, ทั่วโ ล, โลกเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราไม่อยากติดโรคนี้เองไม่อยากจะถูกโรคนี้เข้ามาทำร้ายร่างกายของพวกเราทำลายชีวิตของพวกเราทำลายชีวิตของร่างกายของพวกเราแต่ถ้าเรา ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูความเป็นจริงเราก็จะเห็นว่าร่างกายของพวกเราทุกคนที่เกิดมาแล้วย่อมหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยหนีไม่พ้นความตายด้วยกันทุกคนต้องมีวันใดวันหนึ่งที่ร่างกายของพวกเราทุกคนจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็จะต้องตายกันด้วยกันทุกคนความตายนี้มันเป็นผลของการเกิดถ้าไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการตายแต่เมื่อมีการเกิดแล้วไม่มีใครหนีพ้นเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของความตายความทุกข์อยู่ที่ความอยาก ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากตายอันนี้เกิดจากผู้ที่ไม่มีปัญญามีโมหะอวิชชาคือเห็นโลกเห็นร่างกายนี้ว่าเที่ยงเห็นว่าร่างกายนี้จะแข็งแรงจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ตาย ก็เลยทำให้เกิดความอยากที่ฝืนกับความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือร่างกายต้องป่วยต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายไปในที่สุดผู้ใดมีปัญญาเห็นความจริงอันนี้ตลอดเวลาความจริงอันนี้พวกเราเห็นกัน ว่าทุกคนต้องเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนต้องตายแต่ขออย่าให้เป็นร่างกายของเราเท่านั้นอันนี้เราเห็นความจริงของผู้อื่นของร่างกายของคนอื่นพอมาถึงความจริงของร่างกายของพวกเราพวกเราไม่ยอมมองเห็นกันก็เลยทำให้เราเกิดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เกิดความอยากไม่ตายขึ้นมามันเลยทําให้พวกเราเกิดความทุกข์ใจกันวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายตัณหาก็เกิดจากอวิชชาโมหะคือความไม่รู้ความจริงความจริงก็คือร่างกายมันอนิจจังไม่เที่ยง มันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายผู้ที่มาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมเอจําเป็นที่จะต้องสร้างปัญญาให้มีอยู่ในใจตลอดเวลาปัญญาที่พวกเรามีกันตอนนี้ เป็นปัญญาชั่วคราวปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมเช่นตอนนี้พอตอนนี้เราได้ยินได้ฟังธรรมเราก็รู้ว่าอ๋อร่างกายของพวกเราทุกคนต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายกันทุกคนแต่พอเราหยุดฟังธรรมความรู้อันนี้ก็จะหายไปเพราะเราจะไปคิดเรื่องอื่นกันคิดเรื่อง หาความสุขต่างๆเราก็เลยลืมความเจ็บไข้ได้ป่วยลืมความตายของร่างกายไปอันนี้เป็นความรู้ปัญญาชั่วคราวรู้เฉพาะตอนที่เราฟังทรรมตอนนี้เราฟังแล้วเราก็รู้ว่าอร่างกายของเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายตอนนี้เราก็อาจจะ ทำใจได้ว่ามันหนีไม่พ้นถึงเวลามันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลาที่มันจะต้องตายก็ไม่มีใครมาห้ามได้มาป้องกันได้ตอนฟังทรรมใจของเราก็อาจจะเกิดความเย็นความสบายขึ้นมาเพราะตอนนี้เราอาจจะไม่มีความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยความอยากไม่ตาย เพราะเรากำลังได้ยินได้ฟังความจริงว่าร่างกายจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาชั่วคราวเพราะเดี๋ยวพอหยุดฟังพอหยุดฟังทรรมความรู้อันนี้ก็จะจางหายไปจากใจ แล้วก็จะเกิดความอยากอยู่ไปนานๆอยากมีสุขภาพแข็งแรงต่อไปปัญญาระดับนี้ยังเป็นระดับชั่วคราวช่วงที่เราฟังธรรมเราก็จะไม่กลัวไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายแต่พอเราไม่ได้ฟังธรรมเราไปทำกิจกรรมต่างๆโดยอาศัยร่างกาย เราก็ทําให้เราอยากให้ร่างกายเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ให้ร่างกายเราตายเราก็จะเริ่มกลับมาทุกข์กันใหม่เพราะเราลืมความจริงว่าร่างกายจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าหลังจากที่เราฟังธรรมฟังความเป็นจริงแล้วเราได้ปัญญาระดับชั่วคราวแล้วคือระดับ สุตรแต่ไมยะปัญญาเราก็ต้องมาเอาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังนี้มาทบทวนอยู่เรื่อยๆหลังที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พิจารณาอยู่เนืองๆให้เราหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆว่าร่างกายของเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยะจะต้องตายไปในที่สุด อันนี้เป็นขั้นที่สองปัญญาขั้นนี้ก็ยังไม่เป็นปัญญาขั้นสมบูรณ์ก็ยังแบบล้มลุกคลุกขานอยู่บางทีเราก็จำได้บางทีเราพิจารณาเราก็จาได้บางทีเราไม่พิจารณาเราก็จะจำไม่ได้เดี๋ยวขอ บอกญาติโยมว่าตอนนี้ไม่รับแขกได้ไหมที่มไม่วันนี้ไม่ต้องการรับแขกรับคนน ะ, น, ะนะเพราะว่าต้องการที่จะเผยแผ่ธรรมะทางออนไลน์เท่านั้นเองไม่ไม่อยากให้คนเข้าใกล้เพระฉะนั้นขอความกรุณาใครอย่ามาหาตอนนี้นะเพราะว่าไม่ไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยให้ติดตามดูทาง เฟซบุ๊กยูทูบไปเรื่องที่จะเข้ามาถวายข้าวถวายของอะไรตอนนี้ต้องของดไว้ก่อนไว้ให้เหตุการณ์มันเป็นปกติก่อนเพราะมันจะขัดกับหลักมติของมหาเถรสมาคมของเจ้าอาวาสของเจ้าคณะจังหวัดที่ไม่ให้มีกิจกรรมต่างๆภายในวัดในช่วงนี้ นี่เราไม่ได้ทำกิจวัตกิจกรรมในวัดเราทำกิจกรรมเผยแผร่ทำผ่านทางสื่อออนไลน์ซึ่งไม่มีการเข้าใกล้ชิดกันเราอยู่ห่างกันทุกคนที่มาทำงานนี้มีทิ้งระยะห่างกันประมาณสองเมตรไม่อยู่ใกล้กันที่กำลังทำแบบนี้อยู่ก็เพราะ ทีมงานถ่ายทอดสดก็อยากจะมีการถ่ายทอดสดให้กับศรัทธาญาติโยมที่ติดตามฟังอยู่เรื่อยๆก็เลยขอมาลองทำดูสักวันหนึง่งซึ่งก็ขอบอกก่อนว่าคงจะไม่ได้ทำทุกวันวันไหนวันที่ไม่ได้ทำแบบนี้ก็จะมีเอาของเก่า ที่ได้แสดงไว้มาถ่ายทอดสดแทนซึ่งก็เป็นความจริงเหมือนกันเป็นธรรมะเหมือนกันพูดตอนนี้กับพูดเมื่อวานนี้หรือพูดเมื่อปีที่แล้วก็เป็นเรื่องเดียวเรื่องเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกเรื่องอริยรรสัจสีถ้าท่านสังเกตฟังอยู่เรื่อยๆท่านจะรู้ว่าไม่ได้พูดเรื่องอะไร เพวเรื่องอริยสัจสีเรื่องทุกข์เรื่องเหตุของทุกข์เรื่องการดับทุกขเรื่องวิธีของการดับทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าธรรมะที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนมากมายนี้จะมีถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ แสาระประโยชน์ในความจริงของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเหมือนกับรสของน้ำทะเลที่มีปริมาณมากมายน้ำทะเลในโลกนี้มีมากกว่าพื้นแผ่นดินแต่รสของน้ำทะเลนี้มีรสเดียวกันหมดก็คือความเข็มรสแห่งธรรม ก็คือวิมุตติ<ม>คือการหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติ<ม>และเป็นคำสอนที่อมะตะที่สามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยมในสมัยพระพุทธการ ก็ใช้ธรรมะนี้มาดับทุกข์กันใช้อริยสัจสี่มาดับทุกข์กันสมัยปัจจุบันก็ใช้ธรรมะอันเดียวกันอริยสัจสี่เหมือนกันมาใช้ในการดับทุกข์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะของพระทธเจ้าจึงเป็นธรรมะที่ไม่มีวันเสื่อมไปกับการกับเวลาไม่มีวันหมดอายุ ธรรมะนี่สดสดร้อนๆ้อนผู้ใดเอามาใช้มาปฏิบัติให้กับจิตใจคือการเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องให้ได้ให้เห็นอนิจจังของร่างกายอย่างต่อเนื่องทุกเวลาไม่มีคําว่าลืมคําว่าหลงทุกครั้งที่คิดถึงร่างกายจะผุดขึ้นมาทันทีว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้ามันมีความรู้อยู่ในใจนี้ตลอดเวลาโมหะความหลงที่จะมาคิดว่าร่างกายน่าจะอยู่ไปนานๆ น, น, น่าจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันจะไม่เกิดขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะความจริงปัญญานี้คอยสอนคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายนี้จะต้องตายไป อย่างแน่นอนเพียงแต่เวลาเท่านั้นเองสําหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็เจ็บเร็วบางคนก็เจ็บช้าบางคนก็ตายเร็วบางคนก็ตายช้าแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรวยหรือจนเป็นใหญ่เป็นโตหรือเป็นคนเล็กคนน้อยคนฉลาดหรือคนโง่ เรื่องของร่างกายของทุกคนนี่เหมือนกันหมดแต่เรื่องของจิตใจนี่ต่างกันได้ต่างกันที่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีปัญญาก็จะทุกข์เห็นพระพุทธเจ้าจึงเน้นสอนเรื่องการเจริญปัญญาทรงสอนธรรมะเวลาต้องสามสี่ครั้งด้วยกัน ตอนบ่ายสอนญาติโยมตอนค่ำสอนภิกษุสา ม, มเณรภิกษุณีตอนดึกสอนเทวดาและตอนเช้าก่อนที่จะออกเสด็จออกบินทบาทก็ทรงเลงยานดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้เขามีปัญญามีปัญญาที่จะได้มาใช้ในการละความอยาก ถ้ามีปัญญาแล้วความหลงมันจะมาหลอกให้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่ได้เพราะมันรู้ว่าเป็นเรื่องโกหกเรื่องความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เป็นเรื่องโกหกไม่ใช่เป็นเรื่องของจริงศัจธรรมความจริงนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเพียงแต่ว่าพอเราไม่คิดถึงมันเราก็เลยลืม พอเราลืมเราก็เลยถูกความหลงโมหะอวิชชาความไม่รู้ความจริงมาหลอกเราให้เราอยากให้ร่างกายเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้เราให้ร่างกายของเราไม่ตายแล้วก็มาหลอกให้เราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเนี่ยอันนี้เป็นความความหลอกลวงของโมหะอวิชชา ความจริงของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายมันจะต้องตายแต่ร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราเราไม่ต้องไปตกใจเพราะเราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นเจ้านายของร่างกายเราคือใจ ผู้รู้ผู้คิดใจเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่เนื่องจากขาดปัญญาไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็เลยไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วพอเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกาย เราก็อยากให้ร่างกายของเราดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายแต่เราไปฝืนความจริงนี้ไม่ได้ความจริงของร่างกายที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะต้องตายไปในที่สุดถ้าเรามีปัญญาความรู้สองข้อนี้ข้อที่หนึ่งคือร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตาย แต่ร่างกายข้อที่สองความจริงคือมันไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นมันเราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ได้ตายไปกับมันเราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไปเดือดร้อนไปกับมันเราก็ดูแลมันไปตามอัตภาพตามความสามารถของมนุษย์ที่จะดูแลได้กินอาหารเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่ไป เจ็บไข้ได้ป่วยมียารักษาก็รักษาไปแต่เมื่อไม่มียารักษารักษาไม่ได้ร่างกายก็ตายไปเรามีคนตายทุกวันนะไม่ใช่มาตายเฉพาะช่วงที่มีโรคระบาดนี่เราไปตรวจดูสถิติเนะี่ยทุกในเวืองไทยนี่วันหนึ่งมีคนตายเป็นพันนะไม่ใช่เป็นร้อยแต่คนที่ตายจากติดเชื้อนี่ตามสถิติ ล่าสุดนี้เห็นว่าตายแค่สี่คนเท่านั้นเรากลับไปตื่นเต้นตกใจกับไอ้คนตายสี่คนแต่คนที่ตายเป็นพันในแต่ละวันนี้เรากลับไม่รู้สึกตื่นเต้นตกใจแต่อย่างใดเพราะเราไม่ใช้ปัญญากันเราใช้ความตื่นตนกเป็นแบบกระตายตื่นตูมไม่พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญา ว่าโอกาสที่เราจะตายจากโกาครคภัยไข้เจ็บหรือว่าตายจากไม่มีโครคภัยไข้เจ็บนี่มันก็ห้าสิบห้าสิบทุกวันน่ะทุกเวลาเนี่ยเราอยู่แค่ห้าสิบห้าสิบเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายนะถ้าไม่ถ้าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายนะนะความจริง โอกาสที่เราจะตายกันทุกคนนี้มีห้าสิบห้าสิบะถ้าไม่ตายก็อยู่ถ้าอยู่ก็ยังไม่ตายไอ้คิดอย่างนี้เราจะสบายใจอย่าไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเอาแค่ปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้เราดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็บอกว่าตอนนี้หายใจเข้าแล้วถ้าไม่หายใจออกก็ตาย ตอนนี้หายใจออกแล้วถ้าไม่หายใจเข้าก็ตายก็มีเท่านี้โอกาสเป็นโอกาสตายนี้มันเท่ากันห้าสิบห้าสิบให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลและอีกอย่างหนึ่งก็คอยเตือนใจว่าให้ hey, นั่งกายไม่ใช่เร า, เามันเป็นเหมือนกับเครื่องไม้เครื่องมืออันหนึ่งที่เราใช้เหมือนมือถือนี่เราก็รู้ว่ามือถือที่เราใช้นี่ เดี๋ยวมันต้องมีวันหนึ่งที่มันจะต้องเสียเดี๋ยวมันจะต้องมีวันหนึ่งที่มันจะต้องอใช้ไม่ได้แต่เราไม่ไดเ้เป็นอะไรไปกับมือถือเราไปเดือดร้อนกับมันทําไมที่เราเดือดร้อนกับมือถือก็เพราะเราไปพึ่งมันนั่นเองเพราะเราต้องใช้มันอาศัยมันในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆอาศัยมันเพื่อจะได้ ใช้ทําธุรกิจใช้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆมันเลยกลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเราไปมันก็เลยทําให้เราเกิดความอายึดติดกับมันอพอเกิดความยึดติดก็เกิดความอยากขึ้นมา ท, าทันทีอยากให้มันดีอยากให้มันใช้งานได้ตลอดเวลาแต่ไม่ว่าจะเป็น มือถือยี่ห้อไหนราคาแพงขนาดไหนก็ตามรุ่นไหนก็ตามมันก็ต้องมีวันเสียวันพังไปแต่โชคดีของพวกเราคือเรายังเปลี่ยนมือถือกันได้เราก็เลยไม่ค่อยเครียดถ้าตอนนี้เกิดมีไวรัสมาทางมือถือถ้าเครื่องใดติดไวรัสปั๊บนี้ใช้ไม่ได้เลยต้องซื้อเครื่องใหม่เราก็ยังมีทางเลือกอยู่ ไม่เป็นไรเครื่องนี้ใช้ไม่ได้โดนไวรัสก็ไปซื้อเครื่องใหม่ได้แต่ร่างกายของเรานี้มันไม่เป็นเหมือนมือถือไปซื้อร่างกายอันใหม่ไม่ได้เราก็เลยเครียดกันเท่านั้นเองเพราะว่าเกิดร่างกายของเราติดไวรัสขึ้นมาแล้วทำให้ใช้งานใช้การไม่ได้เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนมันได้เหมือนกับเปลี่ยนเครื่องมือถือเราก็เลยเครียดกันตรงนี้แหละ เกี่ยวกันตรงที่ว่าเราต้องอาศัยร่างกายแล้วเราเปลี่ยนร่างกายใหม่ไม่ได้แต่ความจริงเราไม่รู้หรอกว่าเราเปลี่ยนได้เราเสียร่างกายอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่แต่มันไม่ทันอกทันใจเหมือนกับการเปลี่ยนมือถือเท่านั้นเองเปลี่ยนมือถือเราอาจจะซื้อสำรองไว้อีกเครื่องก็ได้พอเครื่องนี้เสี ย, ยหยิบอีกเครื่องหนึ่งขึ้นมาใช้แทนได้ แต่ร่างกายของเรานี่มันต้องใช้เวลาไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายอันนี้ตายไปแล้วเราจะกลับมาเกิดจะมาได้ร่างกายอันใหม่อีกมเมื่อไหร่แต่เราต้องกลับมาเกิดแน่ๆรับประกันได้การจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ต้องเกิดต่อไปเรื่อยๆเพราะเรามีเหตุที่จะดึงให้ใจของเราไปหาร่างกายอันใหม่ เหมือนกับมีเหตุที่ดึงให้เราไปหาหมอือมือถือเครื่องใหม่เราเชื่อได้เลยว่าตอนนี้ถ้าใครมอือถือหาย ห, าย ห, ายหายรือมือถือเสียเนี่ยจะไม่อยู่เฉยๆบอะ เ, เสียก็เสียเลิกใช้มันจะต้องไปหาซื้อเครื่องใหม่กันทุกคนเลยเหมือนการร่างกายก็เหมือนมือถือที่เราอาศัยเหมันเราใช้มันพอมันเสียใจของเราซึ่งตอนนั้นมันก็จะเป็นดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณมันก็จะไปหาร่างกายอันใหม่แต่มันต้องไปผ่านด่านของกรรมก่อนก่อนที่จะไปเขาจะปล่อยให้ไปหาร่างกายอันใหม่ได้เขาจะต้องผ่านประตูของกรรมก่อนประตูของกฎแห่งกรรมคือบุญหรือบาปที่เราทำไว้เราจะต้องไปรับผลของบุญหรือบาปก่อนจนกว่าบุญหรือบาปนี้หมดกำลังที่จะดึงเราไว้ได้เขาถึงปล่อยให้เรา ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปแล้วเราก็จะกลับมาเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่เหมือนกับได้มือถือเครื่องใหม่แล้วเราก็กลับมาใช้มือถือเครื่องใหม่เหมือนกับที่เรากำลังใช้มือถือเครื่องเก่ากันอยู่ตอนนี้เราได้ร่างกายอันใหม่เราก็จะกลับมาใช้ร่างกายอันใหม่เหมือนกับตอนที่เราใช้ร่างกายอันเก่าตอนนี้ไม่ต่างกันเลยเพราะเราผู้ใช้ไม่ได้เปลี่ยนแปลง เราคือใจนี้เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเรายังมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่เราก็ต้องมีร่างกายมีตาหูจมูกนิ้นกายที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพัต่างๆแล้วก็ส่งเข้ามาที่ใจผู้รู้พอใจได้ได้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรส พอได้รูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วก็เกิดความติดอยากจะให้มีรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เราต้องมาเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเหมือนกับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ใช้มือถืออถ้าเลิกใช้มือถือได้ตอนนี้รับรองได้ว่ามือถือเสียไปหรือหายไปเนี่ จะไม่ไปหาซื้อมือถือเครื่องใหม่ใหม่ให้เสียเวลาเสียเงินเปล่าๆเพราะไม่ต้องใช้มือถือไม่รู้จะซื้อมาทำไมแต่ถ้าเรายังต้องใช้มือถืออยู่เวลาเราเสียเครื่องเก่าไปเราก็จะต้องไปหาเครื่องใหม่ทันทีเป็นงานแรกเลยจะว่าได้พอมือเก่ามือเครื่องเก่าเสียเครื่องเก่าหายไม่มีมือถือนี่เหมือนกับไม่มีมือมีเท้านะ ต้องรีบไปที่ร้านเลยไปสั่งซื้อทันทีเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมได้เช่นเราไม่เอาละไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องของโลกเรื่องของคนนั่นคนนี้หนีไปอยู่ป่าคนเดียวไปอยู่เป็นนักบวชเป็นฤาษีชีพายไม่อยากที่จะมาวุ่นวายกับการใช้มือถือ ต้องคอยชาร์จแบตต้องคอยซ่อมคอยอะไรมันต้องคอยจ่ายค่าบริการอะไรต่างๆแล้วก็มันก็ไม่ได้ให้เราความสุขแบบจีรังถาวรให้ความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวได้แล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องคอยหาใหม่อยู่เรื่อยๆสมมติว่าเราเบื่อมือถือเนาะก็โยนทิ้งไปเลยต่อไปนี้ไม่ใช้มือถือนะ uh huh. พอเราเลิกใช้มือถือได้เนี่ เราก็ไม่ต้องไปหาซื้อมือถือใหม่อีกต่อไปเราต้องมาเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนกับใจของเราตอนนี้เราใช้ร่างกายเหมือนมือถือเราใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้เราเสพเราใช้ร่างกายไปหาลาบยศสารเสนมาให้เราเสพกันเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ที่แข็งแรง แล้วถ้าเกิดมันตายไปเราก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่เราก็ใช้ร่างกายหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสใหม่แล้วเราก็ต้องมาเจอปัญหาเก่าปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันนี้ก็เป็นเพียงปัญหาหนึ่งในหลายๆปัญหา โรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นส่วนหนึ่งยังมีภัยจากอย่างอื่นอีกภัยจากธรรมชาติภัยจากพายุภัยจากน้ำท่วมเห็นไหมสินามมสินาเมืนี่ที่เกิดขึ้นคนก็ตายกันเยอะแย ะ, ยะมันมีภัยต่างๆมาคอยลุมทำร้ายร่างกายตลอดเวลาอันนี้เป็นผลลบของการที่มาเกิด ผลบวกก็คือเวลามีร่างกายก็จะสามารถใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้แต่พอร่างกายเกิดมีปัญหาขึ้นมาเช่นตอนนี้ไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมตอนนี้ห้ามออกจากบ้านห้ามไปหาราบยศเสริญห้ามไปหารูปเสียงกลิ่นลดนอกบ้าน ตอนนี้ยังโชคดีเรายังมีสื่อมีทีวีมีมือถือยังพอหาความสุขผ่านทางสื่อได้ผ่านทางทีวีผ่านทางมือถือได้อยู่แต่ก็ถูกดิ้นรอนไปเยอะความรู้สึกสะดวกสบายมันก็ลดน้อยถอยลงไปความอึดอัดมันก็เพิ่มมากขึ้นว่จะไปทําอะไร ตามแบบที่เคยชอบทำก็ทำไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาของพวกเราของใจของพวกเราถ้าเราไม่มาเปลี่ยนพฤติกรรมของใจของพวกเราเราก็จะต้องกลับมาเจอปัญหาแบบนี้อยู่เรื่อยๆปัญหาแบบนี้ที่เราเจอกันช่วงนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันเราเจอกันมาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วเพราะการมาเกิดมามีร่างกายของพวกเรานี้ เคยมีมาแล้วหลายแสนล้านครั้งด้วยกันอย่างที่เคยพูดถ้าอยากจะรู้ว่ามีมากน้อยเพียงไรก็ลองเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดเวลาเรามีความทุกข์ใจเสียใจเรามักจะร้องไห้กันถ้าเราเอาน้ำตาที่เราหลั่งออกมานี้เก็บไว้ในขวดเนี่ยแล้วมารวบรวมกับของชาติก่อนก่อน ที่เราได้หลังมาเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ท่านบอกว่าน้ําตาที่เราเคยหลังมาแล้วนี่มันมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่ากี่แสนล้านครั้งด้วยกันของการมาเกิดถึงจะทําให้เราหลังน้ําตาได้มากขนาดนั้นและมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าตราบใดเราไม่มาเปลี่ยนพฤติกรรมของใจของพวกเรา เราต้องมาเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกใช้ร่างกายให้ได้เหมือนตอนนี้เราถูกบังคับให้เปลี่ยนพฤติกรรมห้ามไม่ให้ออกนอกบ้านไม่ให้ไปหาความสุขนอกบ้านกันแต่ก็ทำได้ชั่วคราวเท่านั้นนะเดี๋ยวพอปลอดภัยแล้วพอเขาส่งสัญญาณว่าออกนอกบ้านได้นี่ลอ ง, ลองได้ <c oughs> จะเป็นเหมือนหัวปากคลองนะครับผม เราเคาะประตูกันมาเนี่ยวัวมันจะเว่งกันเหยียบทับกันเลยเคาดูนะเพราะว่าจะเรายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเรายังใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันอยู่เพียงว่าตอนนี้เราถูกเบรกไว้ถูกยับยั้งไว้ว่าตอนนี้อย่าไปหาความสุขข้างนอกบ้านเพราะจะได้ความทุกข์มา ได้ไม่คุ้มเสียเราจึงยอมกันเนี่ยไม่ต้องบังคับกันเนี่ยเอาความจริงมามามาบอกกันท่านั้นพอรู้ว่าผลได้ผลเสียจากการที่ออกนอกบ้านกับจากการอยู่ในบ้านนี้มันต่างกันอย่างไรเนี่ยไม่ต้องบังคับกันยอมอยู่ในบ้านกันทุกคนเพราะเรามีตัวอย่างมาเห็นให้เราเห็นก่อนแล้วเห็นประเทศจีนแล้วเห็นประเทศอิตาลีแล้ว โอ้ยคนตายกันเป็นเบื่อตอนนี้ออเมริกาก็กําลังก้าวขึ้นมาแล้วเราเห็นตัวอย่างแล้วมันก็เลยทําให้เรานี้่อไม่กล้าออกนอกบ้านกันแต่ถ้าเราไม่มีตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นประเทศแรกที่เป็นนี้เชื่อไหมว่าพูดยังไงเตือนยังไงสอนยังไงก็ไม่ยอมฟังกันเหมือนที่ซาลัดเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ก็พวกคนหนุ่มคนสาวนี้ เขาอยู่ในช่วงหยุดเทอมช่วงสปริงเบรกพอดีเป็นธรรมเนียมเขาว่าเขาจะต้องไปกินเหล้าเมายาตามชายหาด ก, กันเขาก็ไปกันถึงแม้จะมีประกาศบอกว่าอย่าออกนอกบ้านเขาก็ไม่สนใจเพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะมันเป็นเหมือนการติดยาเสพติดนั่นเองแต่ถ้ามีอะไรมา ให้เห็นถึงภัยที่จะเกิดขึ้นนี้มันหยุดได้ถ้าเห็นว่าออกไปนอกบ้านนี้ตายได้นะอันนี้แหละมันจะทำให้ทำให้ไม่กล้าออกนอกบ้านกันประเทศไทยเราโชคดีเนี่ยตอนนี้เราเป็นประเทศที่เกิดขึ้นในภายหลังเรามีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าการที่เราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการที่เรายังออกนอกบ้านยังไปทำอะไรกันอยู่ ยังไปสังสรรค์กันยังไปคลุกคลีกันยังไปร่วมทำอะไรกันอยู่เนี่ยทำให้เกิดคนติดเชื้อโรคนี้กันมากและทำให้เกิดคนตายกันมากขึ้นมาพอเราเห็นตัวอย่างแล้วเนี่ยเราก็เลยทําใจกันได้อยู่บ้านดีกว่าออกไปแล้วเดี๋ยวอาจจะไม่เจอกันออกไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาอาจจะไปติดเชื้อไปติดอยู่โรงพยาบาล ก็จะจับกักตัวไว้ไม่ให้ไปเผยไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนีก็ได้ตอนนี้ในสหรัฐเขาว่าคนบางคนสามีภรรยาเวลาตายนี้ไม่ได้เห็นหน้ากันแล้วเพราะเขาไม่ให้เข้าไปใกล้เดี๋ยวนี้ฝังศพเขาก็ให้ฝังศพแบบห่างๆไม่ให้ไปอยู่ใกล้กันให้นั่งอยู่ในรถแล้วก็ให้ดูสับเปลอเอาหีบศพลงไปในดิน นี่นี่คือสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นที่ช่วยทำให้เรานี้ยอมงดหรือยุดยุติพฤติกรรมเก่าของพวกเราเพียงแต่ว่าจะทำได้นานหรือไม่นานเท่านั้นเองสำหรับคนบางคนนี้เขาเห็นโทษของการใช้ร่างกายว่าจะต้องมาเจอกับปัญหาแบบนี้ ไม่ปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มีปัญหาจากภัยธรรมชาติปัญหาจากคนมิจฉาชีพปัญหาจากสัตว์ร้ายต่างๆเมือ่อมาเกิดแล้วเนี่ยมันจะต้องเจ็บแบบไหนแบบหนึ่งจะต้องตายแบบใดแบบหนึ่งถ้าเราเอาความจริงอันนี้มาคอยสอนใจเราเนี่ยมันจะทำให้เรานี่เปลี่ยนพฤติกรรมได้นี่ยทำไมพระพุทธเจ้าจึง สอนให้พวกเราหมั่นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากกันอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราคิดแบบไม่ลืมเนี่ยเวลาที่เราอยากจะไปใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆนี้มันจะทำให้เราหยุดได้เพอเกิดความอยากกามาตัญหาอยากเสพรูปเสียงกล็่นัดขึ้นมาพอเห็นว่า จะต้องมีร่างกายจะต้องใช้ร่างกายแล้วเมื่อมีร่างกายแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจ็บคไายได้ป่วยแล้วก็ต้องตายกันให้คิดอย่างนี้อยู่บ่อยๆคิดอยู่นี้อยเรื่อยๆ เ, เพื่อเราจะได้ เ, เบื่ อ, ห ร, อหรือกลัวการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก่อนเห็นนักบวชก่อนเรียกว่าเห็นเทวทูตส จึงทำให้พระพุทธเจ้านี้สละราชสมบัตินอยู่ในวังไม่ได้เพราะอยู่ในวังเหมือนอยู่เหมือนออกไปเที่ยวนอ ก, นอกเมือง น, นอกบ้านสำหรับพระพุทธเจ้าบ้านของพระพุทธเจ้าก็คือป่านี่ต้องไปปีกเว้ยอยู่ในป่าหยุดกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็ไปสร้างกิจกรรมัใหม่มาทดแทน พรใจนี้อยู่เฉยๆโดยไม่มีความสุขไม่ได้ใจก็เลยต้องหาความสุขทดแทนนักบวชเขาก็มีวิธีที่จะสร้างความสุขทดแทนความสุขที่ไม่ต้องใช้ตาหูจมกูกดิ้นกายความสุขที่ต้องใช้ธรรำที่มีอยู่ในใจเครื่องมือที่มีอยู่ในใจที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมา คือสติและปัญญาในสมยุคที่พระพุทธเจ้าทรงไปปฏิบัตินี่มีผู้รู้เพียงแต่เรื่องของสติเพียงอย่างเดียวรู้ว่าถ้ามีสติจะสามารถทำใจให้สงบได้จะทำให้ใจมีความสุขได้จะทำให้ความอยากที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ ความอยากที่ยาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่ทรมานใจแต่ถ้าผู้ที่ยังไม่สามารถมีสติทำใจให้สงบได้เนี่ยเวลาเกิดความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะมีความรู้สึกทรมานมากยกเว้นว่าถ้ามีเหตุบังคับเช่นตอนนี้มีเหตุบังคับว่าถ้าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ย อาจจะได้ไม่คุ้มเสียอาจจะไปติดโรคอาจจะมาเจ็บมากกว่าเจ็บจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็ได้ก็เลยฝืนกันได้อันนี้เราก็สามารถใช้ได้สองอย่างใช้สติเพื่อหยุดความคิดทำใจให้สงบใจก็จะมีความสุขขึ้นมาหรือใช้ปัญญาให้เห็นโทษของการมีร่างกาย ว่าจะต้องมาทุกข์กับเรื่องของร่างกายก็อาจจะทำให้เราฝืนความอยากได้ได้ทั้งสองทางแต่ในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ น, นี้มีผู้รู้ทางเดียวคือทางของสติถ้าทุกข์ใจก็เข้าไปในสมาธิใช้สติควบคุมจิตใจให้สงบบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปพอใจสงบ ก็จะมีความสุขความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะระงับไปชัว่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้หายทุกข์ก็ต้องเข้าไปในสมาธิใหม่พระอุตตเจ้าก็เลยบอกว่านี่ยังไม่ใช่เป็นวิธีที่สมบูรณ์ต้องมีวิธีที่สมบูรณ์คือที่เวลาออกมาแล้ว จะไม่ทุกข์เวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็เลยไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆหลายรูปด้วยกันก็ไม่มีใครให้คำตอบได้พระองค์ก็เลยต้องทรงตัดสินพระทยัยทดลองค้นคว้าหาได้ด้วยตนเองจนในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าเวลาออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันที แล้วอะไรที่จะมาทําให้ความอยากมันหายไปก็ต้องเห็นว่าเนี่ยเห็นโทษของการใช้ร่างกายทําตามความอยากเพราะความอยากนี้จะต้องใช้ร่างกายใช้ตาหูจมูกนิ้งกายไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มไปไปรับรู้อะไรต่างๆต้องมีร่างกายแต่มีร่างกายแล้วก็ต้องมีปัญหาคือความแก่ความเจ็บความตายติดมากับร่างกาย ถ้าทุกครั้งที่อยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายก็คิดว่านอกจากความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกายแล้วเราก็จะได้รับความทุกข์ผ่านทางร่างกายด้วยคือความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราคิดอย่างนี้ได้มันก็จะทำให้เราฝืนความอยากไม่ไม่ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายดีกว่าเหมือนตอนนี้เราไม่ออกไปนอกบ้านไม่หา เป็นไม่ออกไปหาความสุขนอกบ้านเพราะรู้ว่าออกไปแล้วเดี๋ยวกลับมาติดเชื้อได้ติดโลกได้ก็เลยอยู่หาความสุขในบ้านดีกว่าออันนี้ก็แบบเดียวกันถ้าเรารู้ว่าการหาความสุขจากตาหูจมูกนิ้วกายนี้จะมีปัญหาตามมาเราก็หาความสุขจากความสงบดีกว่าจากการทําใจให้สงบอใช้พุทธโธพุทธโธบริกรรมไปสวดมนต์ไป พอใจสงบความอยากหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปหรือถ้าเรามีสติมากอ า, อาจจะไม่ต้องสวดก็ได้เพียงแต่ใช้ปัญญาบอกเท่านั้นเองบอกเหตุผลเท่านั้นเองเราก็จะห้ามใจได้ห้ามความอยากได้ฝืนความอยากได้เลิกความอยากได้แล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปจากใจแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทําใจของเรา ให้วุ่นวายเหมือนกับที่กำลังเป็นกันอยู่ในตอนนี้ถ้าตอนนี้ใจของพวกเราวุ่นวายแสดงว่าเราไม่มีสติควบคุมใจเหตนเรามาฝึกสติกันเถอตอนนี้อยู่บ้านอยู่เฉยๆสวดมนต์ก็เป็นวิธีหนึ่งสวดทิติปิโสไปหลายๆจบด้วยกันบางคนสวดร้อยจบยิ่งสวดนานเท่าไหร่มันยิ่งจะทำให้ใจนิ่งให้ใจเย็นยิ่งทาให้ใจสงบ เหมือนกับการเอาน้ำเข้าไปแช่ในตู้เย็นยิ่งยิ่งแช่ได้นานเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งเย็นได้นานเท่านั้นตอนนี้เราต้องมาทำใจของเราให้เย็นกันอย่าไปกังวลกับข่าวคขาอะไรมากไปเรารู้ข้อสรุปแล้วว่าเราก็ต้องอยู่บ้านกันไปจนกว่ากาลังของโลกมันจะหมดกาลังลงไปถ้าไม่มีการถ่ายทอด โรคให้จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งต่อไปโรคมันก็จะหมดกาลังไปเพราะคนที่มีโรค ก, ก็มีสองทางคือถ้าไม่ถ้าไม่หายก็ตายคนที่หายก็จะมีภูมิคุ้มกันก็จะไม่มาแพร่โรคให้กับคนอื่นอีกนั้นมันก็ต้องใช้เวลาช่วงที่เรารอเวลารอให้การระบาดของโรคมันมันเทาลง ช่วงที่เราอยู่บ้านเวลาเราเครียดกันก็เนี่แหละมาเดินจงกรมในบ้านกันมาสวดนมนต์กันแยกกันทําก็ได้รวมทําพร้อมกันก็ได้แล้วแต่ถ้าไม่มีใครจะทํากับเราเราก็ทําของเราคนเดียวหาบริเวณปีกวิเวกของเราไปอคอยควบคุมความคิดอย่าติดตามข่าวสารมากเกินไปเพราะว่ามันเป็นข่าว ซ้ำซ้อนแล้วก็ข่าวข่าวลวงข่าวหลอกก็มีอ่าแล้วถ้าไม่มีปัญญาแยกแยะเดี๋ยวก็เครียดบางคนตายเพราะเครียดมากกว่าฆ่าตัวตายโอ้ยกูไม่อยากอยู่แล้วติดตามข่าวมีแต่เรื่องทําให้เครียดนฆ่าตัวตายกันไปก็มีเพราะว่าเราไม่รู้จักระงับความเครียดกันแทนที่จะระงับความเครียดเรากลับไปเติมไฟให้กับความเครียด ด้วยการไปอ่านข่าวขาวเรื่องราวต่างๆที่มันไม่มันไม่มีข้อสรุปเราที่จะมาแก้วความเครียดทางใจของเราได้วิธีที่จะแก้วความเครียดทางใจของเรานี้ต้องเอาวิธีของพระพุทธเจ้ามาแก่เราต้องมาแก้ด้วยสติหรือด้วยปัญญาถ้าเรามีปัญญาสามารถปรองได้เราก็หายเคยรียดอย่างมากก็ตายวะอย่างมากก็เจ็บ ถ้ายอมเจ็บยอมตายแล้วหายเครียดเลยเชื่อไหมเพราะมันไม่รู้จะไปเครียดกับอะไรแล้วที่มันเครียดเพราะมันไม่อยากเจ็บมันไม่อยากตายกันพอยอมเจ็บยอมตายตามหลักความเป็นจริงสัจธรรมความเป็นจริงว่ายังไงร่างกายเป็นอนิจจังหรือเปล่าไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วต้องเจ็บหรือเปล่าต้องตายหรือเปล่าร่วงพ้นความเจ็บร่วงพ้นความตายได้หรือเปล่ารวงพ้นไปไม่ได้ ถ้าเรามีปัญญาเอาความจริงมายืนยันเนมันยอมรับได้นี้มันหายนะมันหายเครดทันทีเอาว่าเจ็บก็เจ็บตายก็ตายเรียกว่าใช้หยุดใช้ใช้สูตรสามยอยอมหยุดเย็นยอมรับความจริงของร่างกายว่ามันไม่ช้าก็เร็วไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะต้องตายยอมยอมรับความจริง แล้วมันจะหยุดต่อต้านหยุดความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้แล้วพอมันหยุดความอยากได้ใจก็จะเย็นหายเครียดขึ้นมา ท, ทันทีแล้วก็จะอยู่ไปอย่างสบายร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บร่างกายจะตายหรือไม่ตายก็จะไม่เป็นปัญหามันก็จะเย็นจะสบายแล้วมันจะไม่ต้องกลับมามี ร่างกายอันใหม่มาให้เครียดอีกต่อไปด้วยแก้ปัญหาได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวระยะสั้นก็คือช่วงที่มีชีวิตอยู่นับตั้งแต่เราปองได้เนี่ยปองความเจ็บปองความตายได้ปองความแก่ได้เนี่ยหลังจากวันนั้นไปแล้วเนี่ยใจเราจะไม่มีความเครียดไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปแล้วถ้าเราหยุด การใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไปก็จะแก้ปัญหาได้สองสองตอนด้วยกันตอนแรกก็คือในปัจจุบันถ้าเราปร่งได้ยอมว่ายอมเจ็บทำยังไงได้กรรมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะเจ็บก็ยอมถ้ามันจะตายก็ยอม ถ้ายอมจริงๆแล้วใจมันจะเย็นจะหยุดมันจะหยุดต่อต้านหยุดต่อต้านความจริงหยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้พอมันหยุดไอ้สองตัวนี้ได้เท่านั้นนะใจก็จะเย็นขึ้นมาใจก็จะโล่งจะเบาจะสบายแล้วก็อยู่เป็นธรรมดาร่างกายก็ยังมีอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตรงไห น, น ร่างกายมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่มันก็ยังเจ็บมันก็ยังต้องเจ็บมันยังต้องตายอยู่เพียงแต่ว่าเวลาที่มันจะเป็นเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่มันจะไม่มากระทบกระเทือนใจของผู้ที่ปร่งได้ที่ปล่อยวางได้ถ้ายังปลงไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ก็มาใช้สติก่อนเพราะสติมันง่ายกว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่มีกำลังที่จะปรงที่จะวางได้ ต้องอาศัยกําลังของสติมาช่วยปรุงมาช่วยวางอย่นตอนนี้มาสร้างสติกันทุกครั้งที่เราสวดมนต์นี้เรากาลังสร้างสติให้กับจิตใจสร้างกําลังให้กับจิตใจเหมือนกับที่เราทุกครั้งออกวิ่ ง, อ อ, งออกกําลังกายทุกครั้งที่เราวิ่งร้อยเมตรนี้เราก็จะเพิ่มกําลังให้กับร่างกายวิ่งกิโลหนึ่งสองกิโล ยิ่งวิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มกําลังให้กับร่างกายมากขึ้นไปเท่านั้นการสวดมนต์ก็ดีหรือการบริการพุโทโธก็ดีก็เป็นแบบเดียวกันทุกครั้งที่เราสวดมนต์ทุกครั้งที่เราบริการพุโทโธมันก็จะเพิ่มกําลังของใจให้มีมากขึ้นให้มีกําลังที่จะปองที่จะวางร่างกายได้ตอนนี้เราปองระวางมันไม่ได้เราถูกกาวตาช้างมา มามามาเชื่อมกันกาวตาช้างท่านคงจะรู้ว่ามันมันแน่นขนาดไหนลองเอาะไรไปติดดูแล้วมันแทบจะถอนไม่ออกเลย อ, อันนี้ก็เหมือนการอุปทานตันหานี่แหละเป็นตัวเชื่อมอร่างกายกับจิตใจให้อยู่ร่วมกันแล้วตัวที่จะทำให้ออกจากกันได้ก็คือสตินี่ถ้าเราพยายามท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธ สวดมนต์ไปถ้านั่งเฉยๆได้ใจก็จะนิ่งจะสงบได้พอใจนิ่งใจสงบนี่ร่างกายกับใจก็จะแยกออกจากกันชั่วคราวเตอนนั้นใจจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายเลยแต่เป็นการระงับชั่วคราวพอออกจากสมาธิมามันก็จะกลับมาเชื่อมติดกันแล้วถ้าไม่มีสติหรือปัญญามาคอย แก้ปัญหามันก็จะเริ่มไปยึดติดกับร่างกายใหม่ไปหวงไปหวงร่างกายไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายใหม่ตอนนั้นต้องใช้ปัญญาความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายด้วยกันทุกคนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโลกนี้ก็มีโรคอื่นรอยอยู่เป็นเป็นแถวยาวเหยียดเลย โรคที่รอเป็นในร่างกายของเรานี้โรคตับโรคไตโรคหัวใจโรคปอดโรคลำไส้โรคสมองโรคกระดูกมีโรคทุกโรคทุกอวัยวะเนี่ยเป็นที่ตั้งของโรคทั้งนั้นดะงนั้นเราอย่าไปฝืนความจริงเลยยอมรับความจริงดีกว่าว่าเราจะต้องเจอโรคต่างๆอย่างแน่นอนดังนั้นเราก็ยอมรับมันดีกว่าอวันนี้มันจะเป็นโรคอะไรก็ให้มันเป็นไป รักษาได้ก็รักษาได้รักรักษาไปป้องกันได้ก็ป้องกันไปไม่ได้ห้ามควรป้องกันป้องกันโรคได้ก็ป้องกันไปแต่อยาเครียดกับมันเท่านั้นเองทำน่ะทำตามหน้าที่ของเราไปการเครียดเกิดจากความไม่ยอมเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ยอมตายถ้าเราไม่อยากจะเครียดเราต้องยอมเจ็บเราต้องยอมตายแล้วก็ เราก็ทำหน้าที่ของเราไปแบบไม่เครียดได้เราก็คอยป้องกันทำหน้าที่ดูแลร่างกายไปต้องกินยาก็กินยาต้องใส่หน้ากากก็ใส่หน้ากากต้องอยู่ในบ้านก็อยู่ในบ้านต้องอยู่ห่างกันก็ต้องอยู่ห่างกันทำไปตามที่เราทำได้ไปแต่ถ้าใจเรายอมแล้วยอมเจ็บแล้วยอมตายแล้วใจเราจะไม่เครียดใจเราจะเย็น ว่าเราจะหยุดต่ อ, ต, อต้านความจริงหยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายแล้วใจของเราก็จะไม่เครียดกับมันแนวนี้คือสองวิธีที่จะสามารถมาแก้ปัญหาทางจิตใจของพวกเราได้แล้วก็จะเป็นการแก้ปัญหาแบบถาวรด้วยเพราะถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายได้เลิกใช้ร่างกายได้ต่อไปเราก็จะไม่กลับมา มีร่างกายกันอีกพอร่างกายนี้ตายไปก็จะเป็นร่างกายอันสุดท้ายของพวกเราเราจะไม่ต้องมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันใหม่อีกเราก็แก้ปัญหาแบบทั้งระยะสั้นและระยะยาวระยะสั้นคือตอนนี้พอเราป่งได้แล้วยอมเจ็บและยอมตายได้แล้วใจเราจะไม่เครียดอีกต่อไป แต่เราไม่ประมาทคนที่ปงได้จะไม่ประมาทก็ยังจะคอยดูแลรักษาร่างกายไปตามกำลังตามคำแนะนาของผู้รู้ของแพทย์ของพยาบาลต่อไปแต่ไม่ได้เครียดกับมันถ้ามันจะเป็นก็ไม่เครียดถ้ามันจะตายก็ไม่เครียดเพราะแก้ปัญหาที่ตัวที่ทำให้เครียดก็คือความหลงความอยาก คหที่คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราที่จะไม่เจ็บไม่ตายพอเรามาแก้ตัวนี้ได้แล้วความเครียดต่างๆมันก็จะหายไปหมดเราก็จะอยู่อย่างสุขสบายไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตครูบาอาจารย์ต่างๆพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมานี้ท่านไม่มีความเครียดกับร่างกายพระพุทธเจ้าตอนก่อนจ ะ, สะเสด็จนิพพานท่านก็เดิน เดินทางจาลิกเดินทุดงพอท่านร่างกายท่านเพลียท่านก็บอกอาโนนปูผ้าให้เราหน่อยร่างกายมันมันเหนื่อยไปหาน้ํามาให้ร่างกายมันดื่มหน่อยอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายแต่ใจของท่าเจ้าไม่ได้ไปทุกข์กับความเหนื่อยของร่างกายไม่ได้ไปทุกข์กับความหิวน้ําของร่างกายเพราะใจไม่หิวใจไม่เหนื่อยใจตั้งมั่นอยู่ในความสงบตั้งมั่นอยู่ใน ประมังสุขขังอยู่ในความสุขตลอดเวลาใจของพระพุทธเจ้านี้สุขตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหวันที่ทรงตัดสรรุตอนนี้ที่มีพระอายุได้ 35, สามสิบห้าพรรษาด้วยกันหลังจากนั้นอีกสี่สบหปีเนี่ยใจของพระพุทธเจ้านี้เป็นประมังสุขขังตลอดเวลาไม่มีความทุกข์กับอะไรมีมีภัยต่างๆมาท่านก็ไม่เดือดร้อนมีเทวทัศน์มา ่ อ, องร้ายจ้างคนมาค่าก็ไม่ไม่เดือดร้อนปล่อยช่างให้มาเหยียบก็ไม่เดือดร้อนกิ่งก้อนเห็นลงมาให้ทัพพระบาทให้ทับพระองค์ก็ไม่เดือดร้อนใจของพระองค์นี้ไม่ได้ยึดติดกับร่างกายแล้วรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเท่านั้นที่วันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงนี่ก็คือเรื่องธรรมะที่ เอามาฝากท่านในวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่าจะพูดอะไรพอมันพูดแล้วมันก็ไหลไปตามภาษาของธรรมเป็นกระแสะธรรมก็พูดไปเรื่อยก็ลลมบอกไปในตอนต้นว่าถ้าใครมีปัญหาข้องใจอะไรโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของความเครียดในตอนนี้อยากจะเรียนถามก็ส่งคาถามเข้ามาได้เรายังจะไม่ได้หยุดการถ่ายทอดสด อยาจะขอพักไว้ชั่วข่าวก่อนและก่อนที่จะพักก็จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาาปุราปาริป ah ุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกปฏิอิท an ีิตังปัท um ี่ตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตุสภพพุเรนตุสังกปา จันโทปันาระโยธาเมณโชติระโสยธาสัภีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตผวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีริสานิจจังวุฒาปะจายโน ยะตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอโรคาปรมาราอโรคยาปรมาราคาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐขอให้เกิดกับท่านทั้งหลายทุกคนทั่วหน้ากันเทิน วันนี้มีผู้ติดตามทาง f a c e b o o หกร้อยสิบห้าท่าน y o u t u สองร้อยสี่สิบห้าท่านรวมทั้งสิ้นแปดร้อยหกสิบท่านเจ้าค่ะมไม่ทำไม Facebook วันนี้ขึ้นตั้งหกร้อยคนดูรู้มล้วว่าเป็นของจริงและของปลอมของปลอมเมื่อวานนี้สามร้อยกว่าตอนนี้ของจริงขึ้นเป็นสองเท่าเลยห0ร้อยกว่า แต่ได้ว่าคนคนที่เข้าถึงก็รู้นะพอกขาเปิดดูเอ้ยนี่มันของเก่า <laughs> ดูแล้วก็เลยไม่ติดตามพอวันนี้เป็นของใหม่เ <c> ฮ <oughs> ้ยยังไม่เคยดูห <c oughs> นังใหม่หนังเรื่องใหม่ตอนใหม่ก็เลยเข้ามาดูกันเยอะใครมีคําถามอะไรส่งเข้ามาได้นะส่งเข้ามาเรื่อยๆวันนี้จะอยู่ไปตอบคําถามไปเรื่อยๆก่อนอาจจะทิ้งช่วงบ้าง ถ้ามีคำถามก็ส่งเข้ามาได้เลยข้อความแล้วอ่านไปยั้มีข้อความอะไรมีท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่เคยเห็นสถา น, นีสถานที่นี้ครับอ๋อนี่เป็นที่เซฟเฮาธรรมดาจะไม่บอกใครมพรเป็นที่หลบดลบแขกหลบญาติโยมขออย่ามาหาที่นีนะ่เพราะที่มีป้ายติดไว้ที่หน้าประตูเนี่ย เพราะว่าขออภัยไม่รับแขกที่กุฏิเพราะว่ารับไม่ไหวถ้ารับแล้ญาติโยมเข้ามาไม่มีเวลาคนไหนสะดวกเวลาไหนเขาก็จะมาเวลาที่เขาสะดวกไอ้คนรับเนี่ยสิมันมันไม่มีเวลาที่จะทําอะไรเป็นของตัวเองบางทีอาบน้ําอาบถ่าอยู่ในห้องน้ําก็คนก็เรียกนะบางทีจะขอพักหน่อยก็กเอะลยต้องขอแบ่งเวลา เวลาตอนช่วงนี้ก็ยังตอนเช้าก็ยังบินทบาดอยู่บินทบาดแต่ตอนนี้คนก็ลดน้อยลงไปเยอะธรรมดาวันธรรมดาสองร้อยกว่าวันนี้ก็ร้อยกว่าแล้วก็ยังมาที่ศาลาได้อยู่คนที่ศาลาวันนี้ก็น้อยไม่มาก <c oughs> เหมือนกับทุกวันก็เป็นเรื่องปกติเพราะคน ส่วนใหญ่ก็คิดว่าทางวัดปิดกันแต่ทางวัดก็ไม่เดือดร้อนะเรื่องอาหารการกินตอนนี้ก็พอเพียงพอเพียงพอฉันอยู่กินมื้อเดียวกินขบข้าวอย่างสองหยักก็อยู่ได้นะเพราะใจไม่หิวใจมีธรรมะหล่อเลี้ยงมีรถแห่งธรรมหล่อเลี้ยง มีสติมีปัญญามีความสงบหล่อเลี้ยงจิตใจจิตใจก็ไม่หิวโหวยดื่มน้ำน้าเปล่านี่ก็อร่อยแล้วมีอะไรถามได้มีคำถามจากคุณกัญญารัตค่ะเรามีวิธีทาใจหรือวางใจยังไงเมื่อพ่อแม่ทะเลาะกันคะก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของนานาจิตตัง คนเรามักจะมีความเห็นไม่ตรงกันเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันเท่านั้นเองแต่เราไม่ควรที่จะไปเข้าข้างคนใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องของเขาไปอย่างที่หลวงตามหมาบัวท่านบอกพระเนนกับญาติโยมที่อยู่วัดวัดป่าบ้านต่ายว่าอย่ามาทะเลาะกันที่วัดนะเพราะว่าท่านจะไม่เป็นกรรมการตัดสินใครผิดใครถูก ท่านจะตัดสินว่าผิดทั้งกันผิดผิดด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าเป็นเหมือนหมาหมากัดกันฉะนั้นไครไกที่ไปอยู่ว่าป่าบ้านต่านนี้จะไม่กล้าทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันก็ไม่กล้าไปฟ้องหลวงตา <c oughs> เพราะคนฟ้องก็จะโดนไล่ออกไป <c oughs> ผิดด้วยกันทั้งคู่เพราะว่า <c oughs> แตกสามขี่กัน เหมือนพระพุทธเจ้าที่มีพระทะเลาะกันทรงห้ามอย่าทะเลาะกันบอกว่าผิดด้ก็ไม่ยอมฟังดื้อพระพุทธเจ้าก็เลยต้องหนีไปอยู่คนเดียวไปอาศัยช้างกับลิงอุปถักคอพระพุทธเจ้าไม่อยู่ชาวบ้านก็สงสัยเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าก็อยู่เคยออกบิณฑบาต ท, ทุกวันทําไมวันนี้ถ้าไม่ออกบิณฑบาตหายไปไหนก็สงสายสืบไป หลาเสือก็กลับมารายงานว่าพระพุทธเจ้าเบื่อพระในวัดบันเลาะกันไม่ฟังคําสอนชาวบ้านรู้ก็เลยไม่ใส่บาตรพอไม่ใส่บาตรสักวันสงวันเนี่ยวิ่งกลับไปขอขมาพระพุทธเจ้าวันนี่วิธีการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าทนะ่านไม่ใช้อํานาจบาตรใหญ่ว่าฉันเป็นพระพุทธเจ้าฉันสั่งแล้วพวกเธอจะต้องทําตามที่ฉันสั่งอันนี้ไม่ใช่ทำทำนี้บังคับกันไม่ได้ บางทํานี่ต้องใช้เหตุใช้ผลใช้ความเป็นจริงคนเห็นผิดถูกดีชั่วแล้วมันมันฝืนไม่ได้หรอกพอเห็นว่ามันผิดจริงๆมันเห็นโทษตามมา <laughs> มันเลยยอมกันเหมือนตอนนี้พวกเรายอมไม่ยอมยอมอยู่บ้านกันก็เพราะเห็นโทษว่าถ้าออกไปแล้วเจ็บตัว <laughs> ก็เลยยอมกันคำถามจากคุณทันวรัยคะ่ะ โรคโควิดนี้จะระบาดอีกนานไหมเจ้าคะอันนี้อย่าถามเราเลยเราไม่อยากจะอวดเก่งอวดรูยอย่ติดตามข่าวอยู่ก็มีหลายความเห็นด้วยกันล่าสุดก็บอกว่ามันอาจจะเป็นโรคแบบเป็นมาตามฤ ด, ดูถ้าฤ ด, ดูร้อนเนี่ยมันจะมันจะเศราลงมันจะซบมันจะเน่ะเบาลงแต่พอเราดูหนาวเวลาชื้นเนี่ยมันจะฟื้นกลับขึ้นมาอีก ยันมันเป็นเขาบอกว่าเป็นซีซันโนหมายความว่าตามการตามฤ ด, ดูกาลจนกว่าเราจะสามารถคนวัคซีนขึ้นมาได้ถ้ามีวัคซีนแล้วเราก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคมันก็จะไม่สามารถมาเข้ามาในร่างกายให้เราไประบาดไปกระจายให้คนอื่นได้ต่อไปก็เหมือนโรคอื่นๆที่เคยเป็นมาในอดีตอาหิวาตกโลกกาลโรค โรคอะไรต่างๆนี้ที่มันหมดฤทธิ์ก็เพราะอำนาจของวัคซีนนี่เองเนี่ยทไมเด็กเกิดมาถึงต้องฉีดวัคซีนกันเนี่พวกเราทุกคนนี่พอเกิดมานี่ต้องฉีดวัคซีนป้องกัน56ชนิดด้วยกันมึงอีสุกอีใสอะไรต่างๆอะฮีวาอะไรโลกเลือนโรคโปลิโอเนี่ยฉีดป้องกันกันทุกคนโรคมันถึงไม่สามารถมาแพร่มาระบาดได้แต่ไอโควิดนี้มันเป็นสมาชิกใหม่ เรายังไม่มีวัคซีนที่จะมาป้องกันแต่มีการพยากรณ์ทํานายว่าประมาณประมาณปีหนึ่งอย่างเร็วก็จะมีวัคซีนแล้วก็จะสามารถที่จะเอามาฉีดเพื่อที่จะได้ทําให้โลกนี้มันหมดไปในช่วงนี้มันก็อาจจะมีช่วงที่มันซาลงแล้วเดี๋ยวมันก็จะระบาดใหม่พอซาลงเราก็ออกไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มกัน แล้วพอคนติดเชื้อมามันก็ไปแบ่งให้คนอื่นแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มระบาดอีกเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องออกมามาตรการให้อยู่บ้านอีกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปจนกว่าเราจะมีวัคซีนแล้วเราถึงจะมาแก้ปัญหาได้อย่างถาวรนต่อไป <c oughs> คำถามจากคุณพงพิพัฒน์เจ้าค่ะในช่วงนี้จะออกไปข้างนอกก็ไม่สะดวก ถ้าจะทําบุญกับหลวงพ่อใช้วิธีโอนผ่านธนาคารหรือช่องทางใดได้บ้างครับขอโอกาสหลวงพ่อเมตตาครับกลาบนมัสการครับตอนนี้ไปทําบุญกับโรงพยาบาลเถอะโรงพยาบาลเขาขาดแคนมาก เ, เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเพราะถ้าให้เรามาเราก็ต้องไปทําบุญให้กับโรงพยาบาลอยู่ดีเงั้นอย่าอย่าให้เราต้องทํางานนี่เลยญาติโยมทําได้โดยตรงโรงพยาบาลต่างๆตอนนี้ขาดแคลนเครื่องมือต่างๆโดยเฉพาะ เครื่องที่เราใช้หน้ากากเอ่ยผ้าคลุมเอ่ยอะไรต่างๆถุงมืออะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องใช้มากยั้นช่วยบริจาคตามโรงพยาบาลต่างๆนะไม่ต้องมาบริจาคที่นี่เพราะถ้าออมาที่นี่เราก็ต้องเอาไปบริจาคอีกทีเห็นไหมตอนนี้พระท่านต้องไปบริจาคตามโรงพยาบาลต่างๆกันเพระาะญาติโยมไปทําบุญกับพระกัน ความยิงทําบุญกับพระทําบุญกับโรงพยาบาลได้เท่ากันเงินที่คุณบริจาคนี้ได้บุญเท่ากันนฉะนั้นเลยไม่ต้องมาผ่านพระให้เสียเวลาไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเลยก็ได้นที่ไหนที่เขาขาดแคลนไปช่วยเหลือกันคําถามจากคุณสุรจิตค่ะตอนฟังร้างจิตตัวคิดทํางานแล้วจิตตัวรู้อยู่ที่ไหนครับ ตัวรู้มันก็ถูกตัวหลงมันให้หลงไปกับความคิดฟุ้งซ่านนี่มันก็เลยไม่หยุดคิดเนี่ยรต้องใช้ตัวสติมาปุกมาปุกตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมาว่ากําลังฟุ้งซ่านอยู่นะกําลังคิดฟุ้งซ่านอยู่ น, นั้นตอนถ้าไม่มีสติมันก็จะไหลไปกับความคิดต่างๆจนกลายเป็นความคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาแต่ถ้าเรามันฝึกสติพุโทโธพุโทโธสวดอิติปิโสอยู่เรื่อยๆเราจะมีตัวสติ พอมันเริ่มคิดเราจะรู้อ้าวมันไม่พุโทโธแล้วเนี่ว่ามันไม่อิทีปิโสแล้วเน่ว่ามันเริ่มไปหาโควิดแล้วเนี่เว่าอพอรู้ปั๊บมันก็หยุดได้ทันทีนี่นี่คือประโยชน์ของการมีมีสติพยายามฝึกสติบ่อยๆทำได้ทั้งวันทั้งคืนในทุกเรียบทตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมาจนเวลาหลับเนี่ยสามารถเจริญสติได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งท่องพุโทโธไปสวดเิทิปิโสไป หรือเฝ้าดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่ไปแล้วเราก็จะมีสติรู้ทันเวลาจิตเราเริ่มฟุ้งซ่านขึ้นมาค <c oughs> ำถามจากคุณพิมพรกราบเรียนถามพระอาจารย์สุชาติเจ้าค่ะเราจะแก้หรือลดมานะถือตัวว่าดีกว่าเขาสูงกว่าเขาหรือเท่าเขาอย่างไรเจ้าค่ะก็ ดูไปที่ร่างกายของเราก็ได้วิธีหนึ่งร่างกายของเรามีอาการ32เหมือนกันนะพิจารณาอาการ32ดูนี่เขาก็มีผมเราก็มีผมผมเขาดีกับเราหรือเปล่าขนเขาดีกับเราหรือเปล่าเล็บฟันเขาดีกับเราหรือเปล่าเราดีกับเขาหรือเปล่าตัวเราทั้งนั่งตัวเรามีอะไรบ้างก็มีอาการ32ไม่ใช่เลยแล้วตัวเขามีอะไรเขาก็มีอาการ32เหมือนกันแล้วมันจะไปดีกว่ากันได้อย่างไร แล้วก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเนี่ยตอนนี้มีใครดีกว่ากันหรือเปล่ามีใครไม่ติดมีใครไม่ติดโรคได้หรือเปล่าให้ดูส่วนที่เหมือนกันอย่าไปดูส่วนที่ไม่เหมือนกันพอไปดูส่วนที่ไม่เหมือนกันมันก็เลยทําให้เราหลงได้ไปดูพอเราไปดูว่าเรามีเงินมากกว่าเขาเราก็ถือว่าเราดีกว่าเขาแล้วหะืเอเราเรียนปริญญาสูงกว่าเขาอย่าไปดูส่วนนั้นดูส่วนที่มันเหมือนกัน คำถามจากคุณนัตี้กลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะการทําสมาธิมีกี่วิธีคะจําเป็นต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวหรือลืมตายืนเดินนั่งนอนคะข อ, ขอบขบขอบพระคุณค่ะเวลาจะนั่งเวลาจะทำสมาธิให้จิตสงบนิ่นี่ต้องนั่ง <c oughs> แต่ก่อนจะมานั่งนี่ต้องเจริญสติก่อนต้องฝึกสติสตินี้ทําได้ในทุกเริยาบทเดินยืนนั่งนอน ถ้าไม่มีสติมานั่งจิตมันก็ไม่หยุดคิดมันก็จะฟุง้งซ่านมันก็จะไม่สงบแต่ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆพอมานั่งสมาธิมาดูลมหรือมาพุทโธมันก็จะนิ่งสงบแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาได้คำถามจากคุณเบนแทนซิตกราบนมัสการครับเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเห็นจิตกับความโกรธแยกตัวกัน ก็เนี่ยให้ฝึกสติไปฝึกสติแล้วก็นั่งสมาธิต่อพอจิตสงบแล้วจิตจะแยกออกจากอารมณ์ต่างๆแล้วพอกลับมารวมกันจิตก็จะรู้ทันอารมณ์เวลาเกิดความโกรธขึ้นมาก็จะเห็นเลยอ๋อกาลังโกรธแล้วเวลาเกิดความโลภขึ้นมาก็จะเห็นเลยแต่ถ้าเราไม่แยกจิตออกจากอารมณ์ก่อนไม่นั่งสมาธิทําจิตให้สงบก่อน จิตกับอารมณ์มันจะเป็นตัวเดียวกันไปมันก็เลยมองไม่เห็นเวลาโกรธก็มองไม่เห็นอันนี้มีเพื่อนมาด้วยว้ยรอดอคำถามจากคุณบีเคเคค่ะปฏิบัติธรรมมาเกือบปีแล้วครับพิจารณาแยกธาตุแยกขันตลอดมีหลุดบ้างเผลอบ้างพอนั่งสมาธินานๆเข้าคำบริกรรมหายไปจะพิจารณา ปันจะปันจะกรรมฐานไปตามร่างกายโลภโกรธหลงลดลงไปมากแต่ยังคงมีกา ร, รมารมณ์อยู่ขอคําชี้แนะด้วยครับคือการมารมณ์นี้ต้องพิจารณาอสุภะต้องดูซากศพดูร่างกายเวลาเป็นซากศพมันก็จะเห็นว่าไม่น่ารักไม่น่าเอ็นดูไม่น่ารักใครแต่ถ้าเห็นตอนที่แต่งตัวออกนอกบ้านนี่ ไปงานต่างๆมันก็จะเกิดความรักความใข้ขึ้นมาเราต้องมองมุมกลับมองตอนที่เขาไม่ได้แต่งตัวมองที่ตอนที่ร่างกายเขาตายไปหรือถ้ามองเข้าไปภายในได้ก็มองไปในอวัยวะต่างๆภายใต้ผิวหนังเช่นภายใต้หนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก มีมา้ามีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีลำไส้มีสมองถ้าเราพิจารณาบ่อยๆต่อไปเราจะเห็นพอเราเห็นร่างกายเราจะไม่เห็นแต่เฉพาะข้างนอกมันจะทะลุเข้าไปข้างในด้วยคำถามจากคุณมะลีวงกราบสาธุเจ้าค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องเขาถ้านั่งสมาธิบนเก้าอี้ การปฏิบัติธรรมจะมีโอกาสก้าวหน้าเหมือนการนั่งสมาธิในท่านั่งไหมเจ้าคะหรือว่าใช้การเดินจงกรมอย่างเดียวจะได้ไหมเจ้าคะเดินจงกรมมันจะไม่สงบเท่ากับนั่งเนี่ยนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่งแบบที่เรานั่งอย่างนี้ก็ได้นั่งบนเก้าอี้แล้วก็ทำใจให้สงบสงบได้ถ้ามีสติดีดจิตก็รวมได้รวมแล้วก็สามารถเเวลาออกจากสมาธิมาก็จะมีอุเบกขา ที่เราจะมาใช้กับปัญญาเพื่อปล่อยวางความอยากต่างๆแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้คําถามคุณทวิชากรเรียนถามว่าหนูไม่สามารถหยุดความคิดได้แต่หนูเห็นว่ากําลังคิดแต่ว่าต้องใช้ความตั้งใจหรือตั้งสติที่จะดูเท่านั้นในชีวิตประจําวันการปฏิบัติอย่างนี้จะเนื่องช้าไปหรือเปล่าคะ ต้องไปปลีกวิเวกคะอ๋อการปฏิบัติปฏิบัติที่ไหนก็ได้แต่ถ้าไปปีกวิเวกได้ก็ยิ่งดีเพราะจะมีเวลาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่แต่ถ้าไปปีกวิเวกไม่ได้ก็ปฏิบัติไปตามที่เรากําลังปฏิบัติอยู่ก่อน mm hmm. ก็สําคัญเราต้องใช้คําบริกรรมขึ้นมาช่วยเสริมกําลังของสติเราเพียงแต่ดูเฉยๆเราจะมีกําลังไม่พอพอดูแล้วมันไม่หยุดเราต้องใช้ พุโทโธเข้ามาช่วยหยุดมันพอเห็นความคิดแล้วมันไม่หยุดคิดเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธสวนมันไปหรือสวนอิติปิโสสวนมันไปแล้วความคิดที่มันคิดอยู่มันก็จะหยุดคิดได้แต่ถ้าดูเฉยๆแล้วมันไม่หยุดนะคาถามจากคุณสุภชัยการต่อชะตาอายุโดยการไปนอนในโรงจริงเท็สเป็นอย่างไรครับ อ, อ๋อ เป็นอุบายของพระให้เราเตรียมตัวตายกันไม่ได้ไปต่ออายุหรอกให้เราได้มามีโอกาสเจริญมรณานสติอันนี่คือบ้านของเรานี่เองต่อไปนี่เราจะต้องมาอยู่บ้านนี้แล้วเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจ <c oughs> เรียกว่าเป็นการเจริญมรณานุสติออแต่พวกเราไม่ยอมเจริญกันก็เลยต้องหลอกกันหลอกลวงพูดง่ายๆพวกเราถูกไหนๆถูกหลอกแล้ว ก, ก็ถูกหลอกให้ ô, ถูกหลอกให้โง่แล้วที่หลอกให้ฉลาดไม่เป็นไร พอเราถูกกิเลสหลอกให้งงหลอกให้เราคิดว่าเราจะต่ออายุชีวิตได้ท่านก็เลยหลอกกลับลอกเออมาจะมาต่อชีวิตให้ต่ อ, อยุให้ถ้ามานอนในโรงอันนี้หลอกเขาเรียกหลอกแก้แก้หลอกไงฮะเพราะฉะนั้นเป็นการเป็นอุบายของพระที่จะสอนให้เราได้เห็นอนาคตของร่างกายของเราว่าต่อไปร่างกายของเราก็ต้องนต้อง ต้องลงไปนอนในโรงศพนี่เองบ้านของเราในอนาคตเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะได้เห็นความจริงแล้วจะได้ป่งได้จะได้ไม่ทุกข์กับโรคโรคโวิดที่มีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวกูก็ต้องไปนอนที่นั่นแล้วจะเป็นโรคไหนก็ตามคามถามจากคุณไผ่หลิวเชื้อโรคมีชีวิตไหมคะเพิ่งอานเจอเมื่อกี้นี่เขาว่าไอไวรัสนี่มันไม่มีชีวิตนะ ไอไวรัสนี่ก็เรียกเป็นโปรตีนโปรตีนที่มันอพอมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันถึงเข้าไปในตัวเซลล์อีกทีแล้วไปเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเซลล์ให้มาทํำลายร่างกายของของเราเองมันเป็นโปรตีนมันไม่ได้เป็นเหมือนกับเชื้อโรคที่เราใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าได้ไวรัสนี่มันมันไม่มียาฆ่ามันจะตายของมันเองถ้าไม่ถ้ามันอยู่ในที่มันไม่ที่มันไม่ช่วยมัน ถ้ามันไปเจอสบู่เนี่ยมันมันมันแพ้สบู่มันแพ้ก็แอลกอฮอล์หกสิอซ็ห้าเซ็นขึ้นไปยันหมันล้างมืออยู่เรื่อยๆล้างเขาบอกเวลาล้างมือด้วยสบู่เนี่ยให้ให้ถูมือให้เกิดฟองเยอะๆเพราะฟองนี้มันเป็นจะเป็นตัวกาจัดไอตัวโปรตีนนี้ได้ควรจะควรจะถูไว้ประมาณสักยี่สิบวินาทีก่อนที่จะล้างมันออกไป ล้างมือบ่อยๆถ้าล้างมือไม่ได้ก็ใช้แอลกอฮอล์ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนี่มาเช็ดแทนก็ได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันเพราะว่าเรามักจะเผลอชอบเอามือไปแตะจมูกบ้างไปแตะตาบ้างไปแตะ ป, ปากบ้างหรือหยิบของกินเข้าไปในปากบ้างเนี่ยถ้ามือเรามีเชื้ออยู่มีโปรตีนมีไวรัสอยู่มันก็จะเข้าไปในร่างกายของเราอคําถามจากคุณวัชวัตร ขอโอกาศพระอาจารย์ครับพระอาหารหันต์จะรู้สึกทุกข์ใจกับโรคโควิด -19 บเ้าไหมครับท่านวางจิตอย่างไรครับเออท่านไม่ทุกข์ตั้งแต่ยังไม่มีโรคโควิดมาท่านพิจารณาปฏิบัติของท่านท่านเห็นร่างกายว่าจะต้องดนโรคใดโรคหนึ่งอยู่แล้วท่านเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวโรคความกลัวที่จะติดโรคนั้นท่านก็เลยใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราหนีได้หรือเปล่าหนีพ้นหรือเปล่าก็หนีไม่พน้น เมื่อหนี้ไม่พ้นแล้วจะไปหนีมันทําไมก็ยาวไม่มันเป็นเท่านั้นเองพอยาวไม่มันเป็นปั๊บทีนี้ใจก็หายทุกข์แหละทั้งๆที่มันยังไม่เป็นก็ไม่ทุกข์เวลามันเป็นก็ไม่ทุกข์คาถามจากคุณนัทขอกราบนมัสการขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ครับคําถามจํานวนระยะเวลาที่ใช้ในการทําสมาธิที่เหมาะสมเป็นไปตามสภาพจิตแต่ละบุคคลหรือไม่ครับ ก็ทาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ยิ่งสงบมากเท่าไหร่ใจยิ่งมีพลังมากเท่านั้นจะมีพลังที่จะมาใช้ปัญญาเพื่อที่จะมาสู้กับกิเลสตัณหาความอยากต่างๆได้เห็นพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้บ่อยให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้คำถามจากคุณชมชนกเจ้านายนำปัจจัยไปทำบุญซึ่งพนัก ง, งานมองว่า สวัสดิการที่ให้พนักงานน้อยกว่าที่นําไปทําบุญพนักงานไม่พอใจเจ้านายได้รับบุญที่ทํำไหมคะซึ่งในขณะที่ลูกน้องนินทารับหลังกันค่ะแต่เจ้านายบอกว่าเขาไม่สนใจหรอกที่ไม่พอใจเขาค่ะก็ขึ้นอยู่ว่าเงินที่เอาไปทําบุญนั้นเป็นของใครถ้าเป็นของเจ้านายเขาก็ได้บุญถ้าเป็นเงินของพวกเราเขาก็ไม่ได้เพราะเจ้าของไม่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของเงินนั้น แล้วเจ้าของเงินก็จะไม่ได้บุญเพราะไม่อนุโมทนาไม่ยินดีแทนที่จะได้บุญกลับได้ความทุกข์เพราะเกิดจากความเสียดายเงินถ้าเกิดมันเป็นเงินของส่วนรวมที่เรามีส่วนร่วมด้วยแต่เราไม่มีอำนาจที่จะตัดสินว่าจะไปใช้ในทางไหนถ้าเราอยากจะมีความสุขจากเงินก้อนนั้นก็อนุโมทนาไปเออมึงจะไปใช้ไหนก็ไปวะ นี่ก็ถือว่าเป็นการทำบุญไปทำบุญที่ไหนก็ได้เขาอยากจะไปทำบุญที่วัดทำบุญที่โรงพยาบาลที่โรงเรียนก็เป็นการทำบุญเหมือนกันถ้าเราคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าเราได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วเราก็จะได้เกิดความสุขใจจากการที่เราได้ร่วมและได้เสียเงินส่วนนั้นไปกับการทำบุญคำถามจากคุณปริยาการฟังเทศอยู่กับบ้าน นอนฟังจะแบบไหมคะถ้ามันจำเป็นจริงๆเช่นไม่สบายหรือ ว, ว่ามีเหตุทางร่างกายที่ทำให้นั่งไม่ได้นอนฟังก็ได้แต่อาจจะมีปัญหาฟังแล้วอาจจะหลับได้ถ้านั่งฟังได้จะดีกว่าเพราะว่าจะเป็นการปฏิบัติทำนั่งสมาธิควบคู่กันไปจะทำให้ใจสงบได้ด้วยได้ปัญญาด้วยไม่หลับ คำถามจากคุณฉเฉลยกลับเรียนถามพระอาจารย์โยมนั่งสมาธิมาหลายปีแต่ไม่ก้าวหน้าอยากทราบว่าเพราะอะไรและทําอย่างไรจะทราบว่าภาวนาแบบไหนถูกจริตของเราคะก็มีสองเหตุหนึ่งทำน้อยไปสองทำไม่ถูกทําไม่ถูกก็คือไม่มีสติไม่ควบคุมความคิดไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนไม่ควบคุมความคิดแต่บอกว่ากําลังปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติจริง ปฏิบัติจริงนี้ต้องคอยควบคุมความคิดต้องมีคําบริกรรมพุทโธหรือการสวรดมนต์หรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วไม่ใช่สักแต่ว่าทำด้วยไม่ใช่สวดไปแล้วก็คิดไปด้วยพุทโธแล้วก็คิดไปด้วยอย่างนี้ก็เป็นเรียกว่าสักแต่ว่าไม่ได้เป็นการปฏิบัติเนี่ยต้องเป็นอย่างเดียวพุทโธไปไม่ไปคิดสวดมนต์ไปไม่ไปคิดถึงจะ ได้ผลขึ้นมาถึงจะสามารถาคืบหน้าก้าวหน้าได้คำถามจากคุณไผ่น้อยกลับพระอาจารย์ค่ะจะสอบถามว่าเราควรสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิหรือนั่งสมาธิเสร็จเราค่อยสวดมนต์แผ่เมตตาคะอ๋อตามหลักแล้วถ้าเรานั่งสมาธิเลยไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ช่วยกล่อมใจก่อน การสวดมนต์นี่จะช่วยกล่อมใจที่หยาบให้ละเอียดลงพอใจเริ่มละเอียดลงแล้วเริ่มสงบลงแล้วก็นั่งสมาธิต่อไม่ใช่กลับกันไม่ใช่นั่งสมาธิเสร็จแล้วมาสวดมนต์ถ้านั่งสมาธิได้จิตสงบแล้วก็ไม่ต้องสวดมนต์คําถามจากคุณสุภชัยพระที่บวชอยู่มีอุบายแบบไหนที่เอาชนะความกําหนัดได้ครับความกําหนัดเนี ก็ถ้าเป็นนักบวชนี้เขาก็สอนให้พิจารณาร่างกายพิจารณาสุภะดูความไม่สวยงามของร่างกายดูส่วนที่ไม่สวยงามเช่นอาการสามสิบสองหรือดูซากศพเนี่ยมันก็จะช่วยลดความกำหนัดได้หมดแล้วเลยทีมงานมีใครอยากจะพูดอะไรไหมทักทายพิญาตโยม อันนี้เป็นแบบการเองไม่ได้เป็นแบบทางการก็ไม่ได้คิดว่าจะพูดยาวมา ก, กคิดว่าจะพูดทักทายกันฝากความคิดอะไรบ้างนิดๆน้อยๆแต่พอพูดแล้วมันก็ลเลิดเปิดเปิงไปตามเรื่องของมันมีคำถามอีกนะมีคำถามจากคุณบุญเช่าค่ะเห็นมีพระปลุกเสกหน้ากากอนามายัยสมควรหรือเปล่าครับก็นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของอ่า ความเชื่อของเขาก็แล้วกันเขาเชื่อว่าของอะไรไม่ปลูกเสกแล้วไม่ขังนะเห็นไพระพุทธรูปนี่ยที่เขาป้านกันขึ้นมานี่ยมันไม่ขังถ้าไม่มีพระมานั่งหลับตาปลูกเสกกันซึ่งถามจริงๆอ่ะมันได้อะไรปลูกอะไรปลูกไข่ไปปลูกพระพุทธรูปได้หรือเปล่าพระพุทธรูปมันเป็นอะไรมันเป็นของมีชีวิตหรือเปล่าแล้วคนปลูกทําไม น, นั่งหลับตาคนปลูกไปนั่งหลับเห็นไหม มันดูแล้วมันไม่รู้สึกนว่ามันไม่มีเหตุไม่มีผลนแล้วมันเป็นเรื่องของความงมงายมากกว่าเพราะเรื่องของวัตถุนี้วัตถุมองกอนี้พระพุทธเจ้าทรงทรงบอกแล้วว่าไม่ใช่เป็นพระ อ, องค์เราไม่ได้เป็นพระพุทธ ร, รูปเราเป็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่อยากจะได้ของขังนี่ต้องไปปฏิบัติธรรมต้องไปศึกษาธรรมไม่ใช่ไปเอาของที่เขาปลูกเสกน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากไม่ว่าจะเป็นบ้านบ้านมันเลยขึ้นบ้านใหมย่ยังต้องให้พ้าไปปลูกเสกนะรถก็ต้องให้ผ้าไปปลูกเสกไปเจิมนะทุกอย่างนี้มันเป็นเรื่องของความงมงายไม่ใช่เป็นความจริงแต่อย่างใดคําถามคุณนางฟ้าจําแรงพระอาจารย์เทศนาไลฟ์สดต่อใช่ไหมคะอ๋อก็คงแต่จะเป็นเฉพาะวันนี้ก่อนแล้วก็ วันต่อไปก็คงจะเป็นเอาของเก่ามาไลฟ์แพร่ท่านดูซึ่งก็เหมือนกับดูของสดเหมือนกันอันก็วันเข้าต่อไปนี้ยังไม่กล้ารับปากว่าจะมีเมื่อไหร่เพราะว่ากําลังติดอยู่กับความสงบติดกับความว่างอยากจะตกงานสักพักหนึ่งอยากเพราะทํางานมาต่อเนื่องมาหลายปีแล้วไม่มีวันหยุดยาวๆเลยเนี่ย เพิ่งมามีช่วงนี้ที่ได้มาหยุดยาวไม่มีการที่จะต้องมาสแสดงทำทุกวันก็เลย <c oughs> เลยไม่กล้ารับปากว่าจะมีอีกเมื่อไหร่ก็ขอให้คิดว่าเป็นเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศก็เลยมันดีก็ดีฝนก็จะตกลงมามันดีก็ดีถ้าเผ็ดปัจจัยพร้อมก็อาจจะมีการมาพบปากกันอีกครั้งหนึ่งข่าวหน้านี้อาจจะมีเอาคำถาม ภาษาอังกฤษมามามาต่อตอนที่สองเพราะว่าทางผู้ที่รับคำถามก็บอกว่ามีประมาณยี่สิบเก้าคำถามนวเขาก็มาถามว่าจะให้ทำยังไงเราก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยไงก็บอกรอไปก่อนแล้วเดี๋ยวขอปรึกษาทีมงานดูว่าจะเอาอยัางไงกันมีคำถามจากคุณสิสิมาลัยสดเราฝากผลไม้น้ำให้คนสายบาท เราได้บุญเท่ากับเราทำเองไหมเจ้าคะได้ได้ทั้งหมดได้เท่ากันต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ได้ความขยันเราไม่ได้เสียสละเวลาเราได้แต่เสียสละข้าวของเวลาเราอไปทำงานอย่างอื่นคำถามจากผู้ฝากถามทำอย่างไรให้จิตสงบคะก็ต้องมีสติเท่านั้นน่ะสติจะเป็นตัวหยุดความคิดเมื่อหยุดความคิดได้าะจิตก็จะสงบจิตก็จะมีความสุขขึ้นมา คำถามจากเต้ยบ้านฉางขอโอกาสครับหลวงพ่อเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเกิดความปิติความสุขพอนั่งไปนานๆหลายวันเราไปยึดติดความสุขที่เกิดขึ้นจะมีวิธีแก้การติดสุขหรือก้าวผ่านอารมณ์ปิติสุขที่เกิดขึ้นอย่างไรครับอ๋อเวลาคุณออกมามันก็ไม่สุขแล้วแหละไม่ได้ติดหรอกถ้าติดจริงคนต้องนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนไม่ไปทํางานทําการแล้วถ้าติดสมาธิจริงๆ ลาออกจากงานแล้วลาทิ้งลูกเมียไปบวชแล้วคนที่ติดสมาธิจริงๆงนั้นคุณยังไม่ติดหรอกเราเนี่ยเราติดเรายอมรับว่าเราติดเพอเราได้สมาธิแล้วทีนี้เราก็ลาออกจากงานเลยแล้วก็ไปปฏิบัติสมาธิอย่างเดียวจนถึงเวลาพร้อมที่จะไปบวชก็ไปบวชเลยบวชก็เอาแต่สมาธิอย่างเดียวสลับกับปัญญาด้วยเวลาไม่ได้นั่งสมาธิเวลาออกจากสมาธิก็ใช้ การเจริญปัญญาเปแทนพิจณาไตรักพิจณาขันห้าไปคำถามคุณยุ่นจิตสงบกับจิตว่างต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรคะอันเดียวกันอนะเวลามันสงบมันก็ว่างว่างจากอารมณ์ว่างจากความคิดปรุงแต่งว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังวุ่นวายกันอยู่ในขณะนี้คำถามจากคุณธนิดา อยากถามพระอาจารย์ว่าอยากให้ลูกชายเข้าปฏิบัติธรรมจะพูดอย่างไรดีคะอ๋อแม่ต้องปฏิบัติก่อนแล้วแล้วลูกก็จะขอปฏิบัติตามเองเนี่ถ้าจะไปบังคับให้ลูกทำว่าแม่แม่ทำนี่ไม่มีวันเหมือนแม่ปู่สอนลูกปู่นะแม่อยากให้ลูกเดินตรงก็บอกลูกจ๋าเดินตรงๆนะอย่าเฉไปเฉมาแล้วตัวแม่เป็นยังไง เวลาแม่เดินเป็นยังไงก็เฉยไปเฉยมาะงั้นแม่ต้องทําเป็นตัวอย่างก่อนะแม่ไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวลูกก็ขอตามไปเองถ้าก็ไม่ไปตามไปก็ถือว่าเขาไม่มีบุญพอเราก็ต้องหาอุบายหลอกเขาได้บอกว่าไปเป็นเพื่อนแม่หน่อยนะแม่ไปคนเดียวเหงาเอไม่มีความมั่นใจอยากให้ลูกไปเป็นเพื่อนเอย่างนี้ก็ได้อยู่หลอกให้คนฉลาดไม่ไม่เป็นไรไม่เสียหาย ไม่ได้ไปหลอกเอาผลประโยชน์จากเขาหรอกให้เขาได้ผลประโยชน์เราเรียกว่าเป็นอุบายคำถามคุณกุลาบทำไมพอเรากลับมาเป็นคนดีแล้วต้องเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเจ้าคะมันเป็นกรรมหรือเปล่าเจ้าคะ อ, อ๋อไม่หรอกเพราะเราอยู่ในโลกที่มีแต่สิ่งที่ไม่ดีเวลาเราไม่ดีเราก็เลยสนุกไปกับมันพอเรามาดีปั๊บมันก็เลยเหมือนถวนเราไป ไปสวนกระแสของโลกเขามันก็เลยคิดว่าเราไปเจอของไม่ดีต่างๆควาจริงมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วเราไปรักไปชอบของไม่ดีมันมันก็เลยกลายเป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นปัญหากับเราเช่นเราเคยกินเหล้านี่มันก็ไม่เป็นปัญหาเพื่อนฝู้มาชวนเราไปกินเหล้าก็ไปกินกันที่พอเราเปลี่ยนเป็นคนดีไม่กินเหล้าแล้วทีนี้มีอุปสรรคมาเพื่อนมาชวนเราก็เห็นว่าเขาเป็นอุปสรรคกับเราแล้ว จากผู้ไม่ประสบออกนามเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นจะใช้อุบายใดในการจัดการความโกรธอย่างถาวรเจ้าคะความโกรธเจอความอยากอยากให้เขาทําอย่างนั้นทำอย่างนี้อยากได้นู่นอยากได้นี่พอเขาไม่ทําให้เราเราก็โกรธเขาถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทําอะไรให้เราเราก็จะไม่โกรธยิ่งลดความอยากลงตัดความอยากลงยินดีตามมีตามเกิดแล้วเราจะไม่โกรธใคร คำถามคุณทันพิษิ์ขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ครับผมเกล้ากับผมอยากเรียนถามว่าขณะนี้เกล้ากับผมปฏิบัติไปจิตสงบดีแต่รู้สึกมันตันไม่เก้าหน้ายิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นทุกชัดทุกนานมีอุบายอย่างไรให้ผ่านช่วงนี้ไปได้ครับหรือเป็นเพราะสติไม่ต่อเนื่องเพียงพอครับนั่นหนละสติไม่ต่อเนื่องเพราะเวลาปฏิบัติไม่พอ ต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวจะได้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่วิธีที่จะไปอยู่วิเวกแบบสะดวกสบายที่สุดก็คือไปบวชไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาเขาจะไม่ให้เราทําอะไรเขาจะให้เราปฏิบัติอย่างเต็มที่คําถามจากผู้ฝากถามแม่เป็นมะเร็งแต่ไม่ยอมรับรักษาจะต้องทําอย่างไรดีคะก็เป็นเรื่องของแม่เขาเราก็ทําตามคําสั่งของแม่ แม่ไม่รักษาก็ไม่เป็นไรเรื่องของแม่แม่ท่านแม่อาจจะมีปัญญาเราไม่มีปัญญาแม่ยอมรับความจริงว่าเดี๋ยวก็ต้องตายแต่เรายังไม่มีปัญญาเราก็เลยไม่ยอมรับความจริงคําถามคุณไผ่เหลียวจิตกับความคิดตัวเดียวกันหรือเปล่าคะความคิดออกมาจากจิตจิตเป็นผู้คิดจิตเป็นผู้รู้ผู้คิด คำถามจากคุณทุกขาเวลานั่งสมาธิในสถานที่สงบพอนั่งไปนานๆทำไมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงดังมากแล้วก็ลืมตามาเห็นแสงวบึบปบ๊พอมองไปนานๆแสงเหล่านั้นก็หายไปเกิดจากอะไรคะ เ, เวลาจิตสงบนี่จิตมันจะเข้าสู่ในโลกทิพย์แล้วเสียงต่างๆที่ได้ยินมันอาจจะเป็นเสียงทิพย์ไปไม่ใช่เป็นเสียงที่เราได้ยินทางหู เป็นเสียงที่เราได้ยินผ่านทางใจก็ใช้สติให้รับรู้แล้วก็ปล่อยวางมันเกิดแล้วก็ดับไม่เที่ยงอย่าไปอยากให้มันดับหรือให้มันเกิดแล้วจะไม่ถุกมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้หมดแล้วนะ <c oughs> โอเคก็คิดว่าวันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรชวั่วโมงครึ่งกว่ากว่าชั่วโมงเกือบสี่สิบก็ ขอฝากธรรมะที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ขอให้ท่านนำเอาไปพิจารณาและเอาไปปฏิบัติเพื่อการกำจัดความทุกข์ความเครียดต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะ น, นี้ให้หมดหายไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเธอ